เป็นธรรมเนียมในวิธีการของนุเทียนการเก็บเข้มนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่จิตของเราต้องการวางหรือความปล่อยวางอย่างต่อเนื่องสักริยะหนึ่งมันเป็นธรรมชาติเหมือนไก่เนี่ยมันไข่จนหมดแล้วจะกี่ฟองก็ตามเก้าฟองสิบฟอง นี้ถ้าไข่นั้นถ้าต้องการที่จะเพาะเป็นตัวโดยธรรมชาติเขาก็จะให้มันก็ทำหน้าที่กบของมันเองแม่ไก่ก็กบไข่ให้มันออกในช่วงที่แม่ไก่กบไข่เนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงเก็บอารมณ์คือหมายเขาว่าให้ความอบอุ่นให้อุณหภูมิแก่ไข่ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นตัว แต่ถ้าหากว่าเจ้าของไม่ต้องการลูกไก่เขาก็จะเอาไข่ไปต้มกินจะ้ะหรืออาจจะต้มไม่หมดาอาจจะแบ่งไว้ให้มันเป็นเป็นพันก็ให้มันโกกออกมาจิตของเราก็เหมือนกันลักษณะชีวิตของเราจิตใจของเรามันเกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกก็คือเกิดรูปนามเกิดรูปนามคือชีวิตของเรา เหมือนไก่มันเกิดไข่ออกมามันเกิดไข่ออมามเกิดชีวิตเราได้ลูกนามออกมามันเป็นชีวิตที่เราเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงลูก ด, ด้วยด้วยนมก็ออกมาเป็นชีวิตแบบนี้แต่ทีนี้ทางด้าน <c oughs> จิตใจเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากคุณไหนไม่มีการเกิด ทางด้านจิตใจก็เหมือนไข่นั้นถูกนําไปต้มกินเป็นตกเป็นเหยื่อของมารไปมารก็ไปกินตกไปเหยื่อของความเกิดความแก่ความเสียความตายแต่ถ้าหากว่าคนนั้นมีบุญบรารมีได้สั่งสมมาว่าจะได้เกิดทางด้านจิตใจหรือไข่ที่มันไม่ถูกเจ้าของนําไปต้มกินก็มีโอกาสได้เกิดเป็นตัวแม่ไก่มันก็กบทำหน้าที่กบไข่ เราก็เหมือนกันเมื่อจิตใจเนี่ยได้รับใช้ว่าะสองสารความคิดเรื่องนั้นสุขบางทุกบางมาตลอดตามลักษณะของชีวิตมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีสาระยิ่งขึ้นก็มีการบุ่มเพาะจิตซึ่งเปรียบเสมือนตัวไข่นั้นให้เป็นชีวิตใหม่ขึ้นมา แม่ไก่ก็จาเป็นต้องทาหน้าที่กกด้ดยธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติฝ่ายรูกกระมำ <c oughs> ไม่ว่าไก่กันะไม่สัตว์อื่นๆก็เหมือนกันนะมาเกิดมาแล้วทีนี้วิธีการกกไข่เนี่ยแม่ไก่มันจะไม่กินอะไรเลยมันยอมผอมมันไปออกไปกินน้ากินอะไรแต่ข้าวแทบจะไม่กินมันก็จะกก มีการกบเนี่ยมันก็ใช้เวลาสองอาทิตย์สามอาทิตย์4อาทิตย์แล้วแต่ไข่บางลูกมันกบมันก็ออกบางลังนี่ยเออกหมดบางลังก็ออกครึ่งเดียวบางหังก็ออกเป็นบางจุดแม่ไก่ตัวไหนที่มันขยันมันมีวินยัยมีระเบียบมีความซื่อสัตย์ต่อไข่มันก็จะกบออกมาได้ออกก็ได้เก็บหมดแต่แม่ไก่ตัวไหนไม่ขยันขี้เกียจกบ โดดลงลังไปเรื่อยๆนี่อุณหภูมิความร้อนมันไม่พออุณหภูมิความร้อนไม่พอไข่มันก็ไม่สามารถจะแปลเปลี่ยนเป็นตัวได้ไข่ต้อเป็นไข่หุน่นไข่เน่าไข่ค้างลังเขาก็มาเอาไปทิ้งบาง้างแต่ตัวไหนแม่ไก่ตัวไหนที่มันกกออกม า, มาสูงไข่สิบลูกมันกกออกมาได้สองสามลูกนอกนั้นเป็นไข่เสียหมดนี้แม่ไก่นั้นอนาคตไม่ดีลนะเจ้าของก็จะเอาไป เอาไปเลี้ยงในโมแกงไม่เลี้ยงในเราแล้วทีนี้ฉันใดก็ดีถ้าหากว่าเราจะในจิตใจของเราเนี่ยมันมีใข่อยู่หลายฟองไขรคืออะไรไขรคืออวิชาไขรคือตัณหาไขาอุบาทานไขคือกรรม ไข ค, คือปฏิจจุบันบาทสิบสองน่ะย่นะยอเหลือสี่คือวิชาดานาประธานกรรมและโดยพิสดารก็สิบสองพวกนี้มันเป็นไขเราจะเป็นจะต้องกบอบไขตัวนี้ให้มันเปลี่ยนแปลงให้ได้อืเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจของเรายังถูกอะอะไรลนะ่ะไม่กกไม่บ่มมันก็จะตกเป็นธาตุของมนันธาตุของความ โหดความโลภความหลงทาตของอวิชาดาหาประธา น, าธานต่อไปเลี้ยงไว้แต่เกิดอยู่อย่างนั้นนะไม่มีที่สิ้นจบแต่พอเราได้เกิดจิตได้เกิดแล้วในจิตมันก็จะพ้นจากการในการกบจิตทําไงตรงนี้เองที่เรียกความหมายอาตาปีลักษณะของแม่ไก่ที่มันกบเนี่ยมันมีความร้อนใช่ไหมมีความร้อนความอบอุ่นถึงระดับตรงนี้เรียก ว, ว่าอาตาปีแม่ไก่คือตัวอาตาปี ในตัวอาตาปีท่านี้มันก็จะมีได้แก่ศรัทธาและความเพียรศรัทธ <c oughs> าและความเพียรคืออาตาปีถ้าเรามีศรัทธามีความตั้งใจก็เรียกมีอาตาปีมีศรัทธาหมายความว่าไม่เกลียดมไม่ไก่นั้นไม่เกลียไม่โดดนีไม่ไปหากินพยายามรักษาระวังสํารวมในช่วงเก็บอารมณ์เนี่ยเราจะให้เข้า ห้องพิเศษนะฮะอยู่ที่พิเศษอย่างพระท่านเก็บอารมณ์น่ยก็เหมือนกกไข่ถ้าหากว่าจิตของเราโดดไปคิดเรื่องนั้นโดดไปคิดเรื่องนี้เราไม่สํารวมระวังอุณหภูมิของความอุ่นนั้นก็ไม่เพียงพอและอุณหภูมิตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่จะเปลี่ยนแปลงจิตของเรานั้นได้แก่อะไรสติมาสัมปชานุสองตัวนี้เป็นความร้อน ที่จะเข้าไปเพ่งเผาแม่ไก่ที่ขยันกวกหรือว่าศรัทธาและความเพียรคืออาตาปีและความร้อนที่จะไปเปลี่ยนสภาพของไขใ่ให้มันเป็นตัวนี่คือสติมาสัมปะชาโ น, นเมื่อเมื่อความร้อนเพียงพอแล้วนี่ไก่ลูกไก่ที่มาอยู่ข้างในนี่มันก็ค่อยเข้มแข็งขึ้นมาเป็นตัวขึ้นมาแล้วมันก็เจาะกระป๋อไข่แตกออกมา จิตของเราก็เหมือนกันมันถูกอวิชาเสมือนเปลือกไข่เนี่ยห่อหุ้มมาตลอดภพชาติกับกันบางๆานงะ้น ไ, ไม่หนาแต่ว่าถ้าจิตนั้นไม่แข็งพอเนี่ยก็จะไม่สามารถทะลุคือความไม่รู้สึกตัวความหลงลืมนะเปรียบเสมือนเปลือกไข่ที่มันห่อหุ้มมาตลอดตั้งแต่เราเกิดเวียนว่ายแต่เกิดมาขีหมื่นกี่แสนชาติก็ตามเพราะเราทะลุเปลือกไข่ออกมาไม่ได้ เราเกิดมาทีไรก็หมายความว่าเจ้าของไก่ก็เอาไปต้งกินเจ้าของไก่ก็คือตัณหานะมันสร้างไข่เห็นมาทีนี้เราก็เหมือนกันถูกความแก่ความเจ็บความตายเอาไปกินทุกภพกทุกชาติไม่มีโอากาสที่จะได้มาถูกกบเพราะเจ้าของผู้เป็นเจ้าของตัณหาแนละ้วพเปลี่ยนมาเป็นพุท ธ, ธะแนละ้วพอเมื่อไหร่มาพบพุท ธ, ธะนะี่พบพระเจ้ธธานะั่นแหละ ผู้ที่จะต้องการที่จะเปลี่ยนไข่ให้เป็นไก่คือพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเป็นเสมือนลูกไก่ตัวแรกที่ออกมาจากวิชาได้ออกมาจากไข่ได้ท่านเป็นพี่ของโลกอาหังโลกสมิอาหังอัคคะสาโล ก, กสมิาาสกกสมเศรษโรุเราเป็นพี่ของโลกเราเป็นไก่ตัวแรกที่ออกมาจากเปลือกไข่ได้อง องตรอย่างงั้นยิงนะชี้มือขึ้นฟ้าเลยนะหังโลกสมิเตโอหังอคาส า, าโลกสมิเตโธเราเป็นไก่ตัวแรกของโลกเราเป็นพี่ของโลกนะเพราะท่านได้พบวิธีการกกไข่ก็คือตัวพุท ธ, ธานั่นเองเราก็เหมือนกันเรามีพุทธะอยู่ในใจทุกคนพุท ธ, ธจิตเนนะี่ยคือตัวรู้สึกตัวตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดเนะี่ยเป็นตัวพุทธะรู้ตามความเป็นจริงเนะี่ยเป็นตัวพุทธะเรามีทุกคนมีธาตุตัวนี้อยู่ แต่เนื่องจากว่ามันพุทธจิตตัวนี้ไม่มีการอบรมบ่มเพราะด้วยศรัทธาและด้วยความเพียรเป็นจึงเป็นพุทธะที่เข้มแข็งไม่ได้เพระนั้นใข่เนี่คือเชื่อแห่งพุทธะแต่เมื่อมีการนํามาก ก, ก็ทําให้ตัวพุทธะเนี่ยพัฒนาเป็นตัวพุทธผลเป็นโพธิขึ้นมานะตัวรู้ตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อถูก ศรัทธาและความเพียร ก, กุกดูแลและถูกสติมาสัมปญานุเป็นตัวความร้อนเป็นเพียรเพ่งเผาอย่างต่อเนื่องก็ทําให้จิตที่เป็นหู ห, อห้อมด้วยอวิชชาดานหาวทานเนี่ยมันก็เกิดการหูความร้อนเพ่งเผามันก็เกิดการเปราะบางขึ้นมาลูกไก่สือพุทธจิตที่อยู่ข้างในเนี่ยเปลี่ยน ความไม่รู้สึกตัวให้เป็นตัวรู้สึกตัวและตัวรู้สึกตัวเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสามารถตีกระเปาะไข่คืออวิชานี่แตกออกมาได้ทีนี้ไข่บางตัวเนี่ยมันก็แข็งแรงจะออกมาได้ไวแต่บางตัวก็จะออกมาหลายวันกว่าจะออกมาได้บางตัวแม่มันก็ต้องคอยเขี่ยวคอยช่วยบางตัวนี่นะเป็นตัวแล้วนะแต่ว่าไม่มีกําลังที่จะตี เปลือกไข่ออกมาได้ก็ตายในไข่นั้นกันผู้เป็นโยคาวาจรญอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยบางตัวก็มีสติปัญญาเข้มแข็งเจาะเปลือกแห่งอวิชชาออกมาได้ความไม่รู้สึกตัวนะเป็นความรู้สึกตัวอย่างถาวอนอบางคนก็รู้สึกรู้สึกแต่ยังไม่เข้มแข็งแต่ในวันต่อมาก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆก็ออกมาได้ บางคนก็บางคนก็ไข่บางลูกต้องเอาไปบ่มใช่ไหมเอาไปในสมัยมาเป็นเด็กกันมาเคยแข่ไข่อันไหนที่แม่มันกกแล้วกลวงอีกมันไม่ออกเนีราเอาไปบ่มต่อบางทีมันออกก็ได้ออันนี้หมายถึงว่าอ e ินซีความเข้มแข็งของนักปฏิบัติเนี่ยบางคนก็อ e ินซีเข้มแข็งสติปัญญาดีมีความเพียรสูงก็สามารถเจาะทะลุเปลือกแห่งองวิชาออกมาได้ บางคนศรัทธาไม่เข้มแข็งหรือศรัทธาความเพียรเข้มแข็งปา น, นกลางก็ช้าหน่อยบางคนศรัทธาและความเพียรอ่อนออกมาก็ช้าไปในที่สุดก็ออกจากอาวิชชาไม่ได้ไปติดอยู่แค่ความสมุกเหมือนลูกไข่บางตัวมันก็ตายอยู่ในอวิชชาอยู่เขาเรียกเป็นพรมผมลูกไก่หรือผมลุกฟักออกมาไม่ได้ต้องโน่นไปอาศัย ยุคสมัยหน้าไม่รู้กี่พกกพิชาจึงได้กลับมาพบพระพุทธเจ้าอี ก, กเรียกพรมพระพผมพนี่อยู่นานมากนะอันนั้นพวกที่ติดความสงบความสงบถือว่าเป็นด่านสุดท้ายที่เราจะออกนะถ้าหากว่าสติปัญญาเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไก่มันแทงคือตายอยู่ในไข่นั่นแหละจะว่าเป็นไข่ก็ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เลย เป็นไข่อย่างกินได้เป็นตัวก็ไม่เป็นตัวเป็นไข่ก็ไม่ไข่เขาเลยมันแทงตายในไก่ในพวกที่ติดสงบนี้จะไปสู่ความสุขบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้จะไปสู่โลกิยะอย่างเต็มที่ก็ไม่ได้ครึ่ครึ่งกลางกลางในพวกที่ติดสงบนี่นะคือจะลงไปเล่นกับไอ้โลกิยะวีัยเต็มที่ก็ไม่อยากเช่นเพราะรู้แล้วแต่จะไปบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไปไม่ได้เลยแทงอยู่ในไข่ เดี๋ยววนไหวในแต่สงสารนานมากคนที่เกิดเป็นพรมเนี่ยนะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนและล้านปีนะพวกนี้เนพวกติดสงบเนี่ยออกยากคืออย่างไงติดสงบนั่งที่ไรก็เข้าสุบนั่งที่ไรมันมีความสุขสุขสูงสุดของโลกีย์วิสัยคือฌานคือสมาธิไม่ใช่ว่าแม้แต่จักรพรรดิก็จะว่ามีความสุขสูงสุดเขาคือการมีสมบัติไม่ใช่นะแต่ใน พระบาลีท่านบอกว่าสุขสูงสุด ข, ข, ข, ของคนระดับเป็นผู้ของเรือนคือสมาธิคือฌานแต่ไม่ใช่ฌานระดับมรรคผลแต่เป็นฌานในระดับติดสงบนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะไปติดอยู่แค่นั้นแต่ในกรณีที่เรามีโอกาสปฏิบัติมาได้ขนาดนี้เข้าสู่วิปัสนาเราควรที่จะทำลายนะกระเาะของอวิชานี่แต่ส่วนใหญ่ถ้าหากว่าตายไก่ตายในไข่เนี่ยกาลังมันไม่พอไงจริงเปลือกมันก็บางนะเปลือมก็เปลา ทำไมจำรังไม่พอเพราะว่าการที่จะได้รับบางทีไข่นี่มันกองกองกัน่ไหมแต่ไข่ตัวลูกข้างบนเนี่ยมันได้รับความอบอุ่นจากแม่มากกว่าแต่ไข่ที่ไอใบที่อยู่ข้างใต้เนี่ยความอบอุ่นมันไม่พออันนั้นสาเหตุว่าทำไมมันจึงความอบอุ่นมันไม่พอฉันใดก็ดีถ้าความอบอุ่นการกบ ก, การขยันมีพอแต่สติสัมปยัญะเนี่ยหมายถึงความอบอุ่นความร้อนมันไม่พอ ขยันทําอยู่แต่ว่าทําไมไม่พอเพราะว่าความขยันนี่มันผิดทางคือขยันที่จะทําจิตให้สงบจิตที่สงบนานๆมันอ่อนนะทำฌานทําอะไรต่างๆไปติสงบนานจิตมันอ่อนไม่มีพลังแต่ละคนไหนขยันกร็ถือโล้นุ่นทำความเพียรเดินจงกรมทําสร้างจังหวะกําหนดรูเนี่อันนี้ก็เรียกว่าพวกที่อีสีจะแข็งปัญญาจะแข็งแต่พวกที่อะไรเอะเอีก็หลับตานั่งสมาธิเอาก็หลับตานั่งผู้นิยจิตอ่อน ไปมากผลนิพพานได้ยากสัญญาข้าจะไปติดแค่พรมพวกนี้ก็จะไม่จิตอิสีไม่เข้มแข็งเท่าไรอิสีสติสัญญาไม่เข้มแข็งพอมีอะไรมากระทบภาพพวกนี้ก็จะหูดหงิดติดอารมณ์ฉุนเชียวหุนมัวข้างในแต่ไม่แสดงข้างนอกนะพวกนี้กเก็บอาการเก่งพวกสมถทานี่เก็บอาการเก่งโกรธข้างในไม่พอใจแทบได้แต่ว่าดูอาการข้างนอกยังยิ้มยันแจ่มใสได้อันนี้ก็คือ คีถ้าหากว่าจิตสงบระดับหนึ่งมันเกิดปัญญาระดับหนึ่งมันมีศิละปะในการกบเกลื่อนตัวเองซึ่งลักษณะ น, นี้นักปฏิบัติเราเป็นกันเยอะเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้แตกหักในะเรื่องนี้นทําเป็นเล่นไม่ได้เพราะมันเป็นความเป็นความตายของพวกเงชาติฉะนั้นเองมาเมื่อเข้าใจหลักอันนี้แล้วนี่จึงไม่ไม่ยอมจำนวนต่อความสงบที่มาครอบงําจิตนะเราก็พยายามแหวกว้ออกมา ตีกระเปอไข่คือตัวรู้สึกตัวเนี่ยให้มันเกิดขึ้นให้ได้ตีความไม่รู้สึกตัวนี้ออกไปพยายามดังนั้นเวลาเรามาศึกษามาปฏิบัติเนี่ยเราก็มีหลักลูกทำนาำทำเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นถ้าเราไม่มีหลักลูกทำนำทำเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยการปฏิบัติในเรื่องของปรมาติ์ไม่มีใครรู้ด้วยมันก็เป็นเรื่องเพ้อฝันคิดไปเองนึกเดาไปเองแค่นั้นเอง มันพิสูจนไม่ได้แต่ถ้ามีหลักธรรมชาติหลักรูปทำนำทำมันก็หลักอันเดียวกันนั่นแหละแต่อันหนึ่งมันมีรูปปรากฏอันนึงมันมีรูปปรากฏแต่กระบวนการพัฒนามันก็อันเดียวกันออย่างผลไม้นี่เอาในช่วงที่มันดิบถ้าผลไม้นั้นมันไม่ถูกแดดมันมีโอกาสสุกไหมมีโอกาสจะเป็นเม็ดเป็นหมากไหมไม่เป็น มันก็อาศัยแสงพระอาทิตย์คอยกบคอยสอง่งคอยเพ่งคอยเผาให้มันแก่มันเป็นมาเหมือนกันลูกทำนำ้ำทำไม่ต่างกันดังนั้นเองเราปฏิบัติเนี่ยมรรคผลนิพพานมีจริงการแปลเปลี่ยนของจิตจากอาวิชชาดันหาวัฏฐานเป็นศีลสมาธิปัญญามีจริงจากสังสารจิตหรือวัฏวัฏวัวจิตเนี่ยให้มันเป็นนิพพานาจิตมีจริง ต้องเชื่ออย่างนั้นนะในตถาคตดาวพฤหัส ธ, ธาเนะี่ยต้องเชื่อสภาวะบรรลุเข้าถึงนิพพานพีได้จริงอการไปติดในสวรรค์พรหมนะมีได้จริงการไปตกนรกไปอาบายมีได้จริงทั้งหมดอยู่ที่ภาวะจิตถ้าเราเคยสังเกตศึกษาอย่างนี้ช่วงไหนจิตข้างบางข้างจิตแล้วก็ไปอาบายคิดในทางไม่ดีบางข้างจิตเราก็มีเหตุมีผลมีต้นมีปลายก็ เป็นมนุษย์บางครั้งจิตเราก็ดียิ้มแย้มแจม่มใสอยากให้อยากทานอยากช่วยเหลือคนอื่นเป็นจิตแล้วไปตกภาวะที่เป็นเทปภูมิบางครั้งจิตเราก็สงบเ ย, ยือกเยน็นอยากทาสมิธอยากสงบอยากทําให้จิตมันว่างมันโลง่งมันโปร่งจิตของเราไปสู่ผมบางครั้งเราอากจะสลัดทั้งหมดความทุกข์ก็ไม่เอาความสุขไม่เอาความสงบก็ไม่เอาความพอใจไม่พอใจยินดีพอใจก็ไม่เอาให้จิตมัน ปล่อยวางบริสุดสุดเราเข้าไปสู่อริยภูมิเห็นไหมภาวะจิตมันอยู่ในภาวะจิตทั้งหมดบางวันบางเวลามันมีแต่เราเคยถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้เท่าเจ้าจิตของตัวเองมันก็จะงมงงซอาๆไปงั้นแหละแต่ถ้าคนที่ต้องการมักต้องการผลเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยจะไม่ยอมให้อวิชชาเข้ามาครอบงําให้สุ่มเดาไป แต่ทุกอย่างต้องชัดเจนทุกอย่างก้าวทุกความคิดต้องทุกคาพูดทุกการกระทำต้องชัดเจนอย่ามัวหรือว่าเบลอเบอไม่ได้นี่จะคนที่ตั้งใจจริงพัฒนาไปถามว่าชีวิตมันจะเครียดไหมไม่เครียดถ้าทำเป็นแต่ถ้าทำไม่เป็นตายนะเพี้ยนนะจริงจังเกินโดยที่ไม่มีปัญญานะี่ยดังนั้นเอง เราชี้เราเรียกว่าพวกที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังแล้วเกิดเพี้ยนเกิดบ้าก็เพราะอย่างนี้ยเพราะไม่มีปัญญาในการผ่อนคลายไม่มีปัญญาในการที่จะปล่อยวางหอบหอบหอ บ, หอบไปหมดมันก็จะหนักนะถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติธรรมมันจะเบาขึ้นเรืเ่อยๆเรื่อยๆการปล่อยวางมันจะได้ลดระดิยงขึ้นเรื่อยเรื่อแต่การที่มันเครียดมันตึงมันอึนอดอัดมันคับแค้มันไม่พอใจเพราะว่าเราไม่มีปัญญาในการปล่อยวาง อารมณ์ถึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาปัญญาตัวนี้ด้วยการมาอยู่กับปัจจุบันให้ชัดๆมาจุดปัจจุบันให้รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆไม่ใชน่นึกว่าเรารู้สึกตัวนะจิตอยู่ปัจจุบันนะแต่ว่าไม่ได้สํารวจลงไปชัดๆว่าจิตของเรามันมีอะไรที่มันหลบมันลี้มันแฝงอยู่หรือเปล่าตรงนี้ต้องอาศัยความชัดจริง ดังนั้นเวลาทำความเพียรมาจึงไม่อยากจะทำเล่นนะทำให้มันเรียกว่าอะไรเป็นอะไรต้องให้มันชัดๆเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่ชัดๆจริงๆเวลานั่งก็เดินนั่งให้ชัดจริงๆว่านั่งทีนี้ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ของ <c oughs> รูปเนี่ยมันมีอยู่เช่นเรานั่งนั่งไปมันง่วงเนี่ยทั้งที่เราไม่ตั้งใจจะง่วงไม่ตั้งใจจะหลับแต่มันเป็นไปเอง อันนี้เขากฎของรูปคืออ น, นิจจังทุกขังนาตามันส่วนหนึ่งดังรับความเป็นจริงของมันร่างกายของเราไม่ใช่ว่าพร้อมตลอดเวลาบางครั้งร่างกายไม่พร้อมเพราะว่าอะไรเพราะกฎของอนิจจังทุกขังนาตาความวิกฤวิกาลของรูปมันก็มีให้เห็นบางครั้งเราไม่อยากจะเพลียไม่อยากจะเหนื่อยมันก็เหนื่อยก็เพลียให้เห็นบางครั้งมันไม่อยากจะง่วงจะหิวมันก็มีให้เห็น เพราะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายังหลงเหลืออยู่เรายังแปลมันไม่หมดแต่ถ้าหากว่าเรามีความเข้มงวดต่อกดุดนี้จริงๆแล้วเราพยายามแปลเปลี่ยนอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาในการที่เราแปลเปลี่ยนมันไม่หมดมันก็เหลือตกข้างทำให้เกิดวิกฤตวิการทํารูปบางทางนามบาง คังแล้วก็วิปริตปิดเปลีป่ยนคิดอารมณ์ขึ้นขนลง ล, งลงเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเบื่อหน่ายเดี๋ยวศรัทธาเดี๋ยวลงปรุงเดี๋ยวแส่สายสลับกันไปเพราะว่าเราจัดการบริหารกฎของอนิจจังทุกขังอันตา ย, ยังไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไม่หมดแต่เราจะเข้าถึงเราจะเห็นชัดเห็นแจ้งในกฎเกณฑ์เหล่านี้หรือไม่เนี่ยอันนี้เราต้องสังเกตต้องศึกษา จนสุดปัญญาจนขุนสุดความสามารถของเราแหละทุ่มเทให้หมดมีสติปัญญาเท่าไหร่ทุ่มเทให้หมดเมื่อสติปัญญาทุ่มเทสติปัญญาเต็มที่แล้วมันไม่เวิร์กมันไม่กล้ามันไม่ไปไหนก็ต้องยอมรับความจริงว่าเออเราอาจจะจะมีวิบากขันอะไรอยู่ที่สติปัญญามันไม่พร้อมตรงนี้นะอาจจะเป็นความประมาทในอดีตอาจจะเป็นความอินทรีย์ของเรายังไม่เข้มแข็งพอต้องพยายามต่อไปนะต้องพยายามต่อไป ดังนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำเป็นศาสนาแห่งความพยายามไม่ใช่ศาสนาแห่งความจอมยอมจํานวนว่าเรามีแค่นี้แล้วก็ยอมจํานวนมันแค่นี้ใช้มันแค่นี้สมมุติว่าเรามีปัญญาในการหาเงินใช้เนี่ยเดือนละหนึ่งพันบาทเราก็พอใจแค่หนึ่งพันบาทแล้วก็ยอมจํานวนว่าเรามีความสามารถแค่นี้พันบาทก็พอแต่ความจริงสามารถที่ทําให้มากกว่า น, นั้นก็ได้ถ้าเราพยายาม แต่พยายามแล้วมันได้แค่นี้จริงๆก็ก็ยอมรับความเป็นจริงเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ทําให้เราปล่อยวางได้ระดับหนึ่งดังนั้นเรื่องการปฏิบัติในอนุอนมาตรถุว่ามันมีทางแต่ขอให้เราพยายามไม่หยุดยอนอย่าจะมานเมื่อก่อนเป็นคนขี้โลกนะเป็นู้นเป็นนี้น เ, นนเอ้ยเราตั้งใจว่าไอ้ความขี้โลกหมายถึงว่ากดอนิจจังทุกขงนะังหน้าตามันทางานทุกวันเต็มที่เราจะไม่ขี้โลกบางไดไหมเรา ก็มาศึกษาพยายามในที่สุดปัจจุบันเนี่ยไม่ขี้โรแล้วกลายเป็นสุขภาพดีเนี่ยในส่วนรูปเนี่ยเราพยายามได้แต่ในส่วนนามเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนลึกไปกว่านั้นเราก็ต้องใช้ความพยายามต่อไปนะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงรู้จักการทดสอบรู้จักการทดลองไม่ตกเป็นทานของความยากสามารถด่าวแวกแหกโผล่แหงความยากแหกกรอบของความยากมันอยากจะกินอย่นี้กูไม่กินมาดูบ้าง มันอยากจะนอนอนี้กูไม่นอนกับมันบั่งมันอยากจะพูดนี้กูไม่พูดกับมันมนต้อง ก, กล้ามีความกล้าคําว่าวีละหรือวิริยะเนี่ยแปลว่ากล้าที่จะแวกอํานาจแหวกกรอบของตัณหาได้เรียกว่าความเพียรแต่ถ้าเราไม่กล้านี่เราสยบตามอํานาจของตัณหานะมันก็ยากในการที่จะพยายามของเราจะสําเร็จผลนะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าแต่ว่าในสิ่งที่เรากล้าก็ต้องอยู่ในความเหมาะสมอยู่ในกําลังความสามารถของเรานะสมมติว่าของเนี่ยมันหนักร้อยกิโลชั้นกล้าพอที่จะแบกแต่กําลังของเรามันรับได้แค่ห้าิกิโลไปฝื้นแบกเข้าไปไงหลังหักพอเดียวอันนี้ต้องรู้กําลังไม่ค่ อ, อใช้ความเต็มที่เออฉันแบกได้ห้าสกโลฉันแบกได้เพราะฉันไหวแล้วใช้ความพยายาม แต่คนที่มีความยา่งมสูงกว่านั้นร้อยกิโลชันก็แบกได้แต่ฉันไม่แบกทีเดียวนะชันเอาไปทีละสิบกิโลยี่สิบกิโลอย่างนี้ก็เลยใช้ปัญญาบางทีกําลังไม่พอกําลังการไม่พอได้ใช้ปัญญาอย่างนี้ก็มีมันมีวิธีการเสมอถ้าเราพยายามนะแต่ประการสําคัญก็คือการเบื้องต้นเนี่ยในตัวสมาธิเนี่ยต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษว่าเราชัดเจนได้อย่างความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธธรรมเกี่ยวกับชีวิตเนของเรา ถูกต้องแล้วยังถ้าไม่ถูกต้องต้องสํารวจต้องตรวจสอบอยู่เสมอนะว่าเอ๊เรายังมีความทุกข์ตกค้างอยู่เนี่ยากายเราคือมีความทุกข์อยู่จิตของเราบางครั้งมันก็อึดอัดบางครั้งก็แสบสายอยู่เพราะอะไรตรวจสอบตรงนั้นเลยไม่ให้มันมันมันขังไม่ให้มันบีบเราอยู่เพราะอะไรนะดังนั้นตัววิปัสสนาหรือตัวสติสมัมปชัญญะที่เราฝึกฝนเนี่ยมันเป็นตัว สำรวจตรวจสอบมันเป็นตัวแสงสว่างแต่ว่าเราจะต้องเพียรให้ถูกต้องเป็นสัมมาวายามะทีนี้ไอ้เพียรถูกต้องแล้เพียรยังไงหนึ่งระวังสิ่งที่จะเป็นอุบ ส, สักคือระวังเรื่องนิวรณ์อกุศลธรรทั้งหลายไม่ให้มันเกิดนะอันนี้คือเพียร น, นะเพียรไม่ใช่ว่าทําจงกลมนั่งสมาธิทั้งวีทั้งวันไม่ใช่เพียรแบบนั้นเพียรคือเพียรหนึ่งคอยระวังนะ ทางด้านจิตใจคือระวังอหุส่วนไม่ให้เกิดระวังอันยวรแต่เนื่องจากสติปัญญาของเราไม่สมบูรณ์ระวังเท่าไหร่มันยังเกิดอยู่ดีต้องใช้กฎข้อที่สองคือเมื่อมันเกิดต้องจัดการเอาออกทันทีถ้ารู้สึกตัวมามันง่วงก็ต้องแก้ไขง่วงเลยรู้สึกตัวมันขี้เกียจแก้ไขขี้เกียจเอาทันทีนี่เขาเรียกว่าประหารกฎอันที่สองนะประหารกฎอันที่หนึ่งคือระวังสังวรกฎอันที่สองประหารนะหมายความว่า มันก็เผลอระหว่างขณะไหนมันก็ยังเผลอแต่มันเผลอยังมีโอกาส ร, รู้สึกตัวก็ตัดประหารเลยอันที่สามกฎอันที่สามก็คือคอยพออพูนกําลังสั่งสมกําลังของสติความรู้สึกตัวอยู่เสมอคอยพ่อพูนสติกําลังของสมชัญญาอยู่เสมอคอยพ่อพูนกําลังของปัญญาอยู่เสมอแต่กฎอันที่สามคือพ่อพูนท่านใช้คําว่าภาวนานะ ภาวนาคือหมายความว่าทําความเพียรไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยความถูกต้องจนกระทั่งกําลังของสติสมาธิปัญญา เ, เกิดไอ้ตัวเผลอเขาจะน้อยลงนะตัวเผลอมันจะไปแก้ไขข้อหนึ่งข้อสองที่ตนมาแก้ไขการระมัดระวังอแก้ไขกันแก้ไขคือจัดการเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปแล้วก็คือการภาวนาอันที่สี่เมื่อเกิดกําลังของสติสมาธิปัญญาตามที่เราภาวนาได้แล้ว ก็ต้องตามรักษากําลังนั้นต์ท่านเรียกว่าอนุรักษ์นะดังนั้นในความเพียรที่ถูกต้องความพยายามที่ถูกต้องท่านใช้สัมมาวายามะซึ่งมันมีกฎกติกาของเขาอยู่สี่ข้อหนึ่งต้องระวังอย่าให้สิ่งที่เราไม่ต้องการอย่าให้มันเกิดสองเมื่อมันเผลอเกิดต้องจัดการให้ออก ท, ทันทีสามต้องสั่งสมกําลังและพลังเอาไว้ไม่ให้มันเผลอบ่อยหรือผลน้อยที่สุดสีรักษากําลังนั้นเอาไว้ ถ้าทําี่พ อ, อเพียเนื่องอยู่อย่างนี้นะมันก็จะทําให้เราเห็นอุบายสักและปัญหาได้ง่ายเพราะเราติดขัดตรงไห น, นแล้วเขาไปแก้ไขยอยู่อย่างนั้นแหละเวลาทําไปเนี่ยมันรู้สึกหลายอย่างขึ้นมาเพราะเนื่องจากเรามันเนื่องด้วยรูปรูปมันก็เป็นไปตามกฎของมันอันนี้จงทุกคั้งน่าตาบางครั้งเราก็เกิดความเบื่อหน่ายขี้เกียจที่จะไปแก้มันก็ปล่อยเลยตามเลยนั่งง่วงบางนั่งหลับบางนั่ ง, งเงาบาง นั่งเบื่อบางนั่งคิดไปสารพัดบางบางครั้งเราก็ปล่อยมันอันนี้เราเรียกวให้โอกาสกับมารเข้ามาทํางานเพราะฉนั้นต้องถึงจะเผลอคําว่าเผลอการให้โอกาสนี่ต่างกันนะเผลอเนี่ยเราไม่ต้องการจะให้มันเป็นแต่มันเป็นเราเผลอเรารู้ตัวทนันทีแก้ไขทนันทีแต่ให้โอกาสนี่หมายความว่ามันเป็นออะไรลนะ่ะเป็นความอ่อนแอของเราปล่อยให้ความคิดเข้ามาปล่อยความขี้เกียจเข้ามาปล่อยความ เบื่อเข้ามาปล่อยความฟุ้งซ่านเข้ามาเนี่ยเลยตามเลยแล้วเต่มันจะคิดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความอ่อนแอของเราที่ปล่อยให้เกิดอย่างนั้นนะดังนั้นเราก็ต้องสํารวจนั่นเวลาอามาเก็บอารมณ์แต่ละครั้งทุกครั้งเนี่ยามาไม่เก็บอารมณ์ก็เหมือนเก็บอารมณ์คือการตรวจสอบตัวเองอย่างละเอียดตรวจสอบตัวเองอย่างละเอียดอันนั้นคือความเพียรที่เรามีอยู่แล้วในอีิทธยบทแต่ถ้าหากว่า กำลังของศรัทธาและความเพียรการเห็นจุดนี้ยังไม่ชัดเราก็จะเป็นทั้งเข้าเก็บอารมณ์ทางกายทางใจเข้าอยู่ที่เฉพาะนั่นเองนะโดยเฉพาะในะมหาญาณนี่นะการเก็บอารมณ์ของเขาไม่ใช่ห้าวันเจวันส0บวันเก็บทีนึงอย่างที่เบสเนี่ยเก็บแล้วเท่าไหร่สองปีครึ่งจีเนี่ยครั้งละหนึ่งปีถือว่าในมหาญาณนะอย่างท่านจี ท่านจิลุที่วัดจีนที่มารู้จักท่านเก็บอารมณ์เดือนเนี่ยพฤจิกาเดือนนี้ไปออกพฤศจิกปีนี้ไปออกพฤจิกาปีหน้าหรือเข้าเมษาปีนี้ไปออกเมษาปีหน้าแต่ตอนออกอารมณ์เนีขเขาเฉลิมฉลองกันทีนี้มาก็ได้ไปทำร่วมทําบุญของเขาว่าเออจะอาว่าท่านจิลุออกอารมณ์เขาเก็บเก็บอารมณ์ปีหนึ่งแต่ว่าเอามาไปไปพบท่านแล้วเนี่ยมันได้เก็บอารมณ์อย่างเรานะท่านทาเป็น เอาไอ้โมบินโฮมาลดใหญ่นะมาเป็นห้องกรรมาฐานท่านเข้าไปเก็บในนั้นเอามาเข้าไปโอ้หนังสือกองอยู่เต็มเอาบอท่านเก็บอารมท่าไหร่อ่านหนังสือเมันเก็บอาลงณ์แบบอ่านหนังสือมันจะได้เรื่องอะไรเดิ way, งไงนไมเวอะไรนันอันนี้เป็นวิธีของท่านซึ่งมาก็ได้ไปไปพบท่านหนึ่งอยู่ที่วัดไอ้เรืองมาบ้านะอยู่ที่ไอ้เซนลุยนะเขจำมื่ก่อนไปอยู่ที่ไอ้เซนลุยอยู่ที่วัดภสะศรีใช่ไหมทีนี้ท่านในช่วงนั้นท่านเก็บอารมณ์พอดีเอามาก็ไปเยี่ยมท่าน ควจริงก็ไม่ได้ปเยี่ยมไปเยี่ยมไปชี้นั่นแหละแต่ถามต้องถามด้วยว่าจะพบท่านชีรุได้ไหมได้องนั้นเอาไปเออขอมาสอบอารมณ์หน่อยนั่นนะแล้วก็คุยไปก็เห็นหนังสืออ่านหนังสือเรื่องนั้นแทนที่จะคุยกันเรื่องอารมณ์ไปคุยเรื่องอา่านหนังสือเรื่องนั้นคนนั้นว่าอย่างอ่านหนังสือนีน่คนนี้ว่าเอาคุณมาเก็บอารมณ์ยังไงเราก็ไม่เถิดไม่ทักท้วงนะนี่คือบางทีใช้เวลาจริงนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างมันช่ว่าเราจะว่าลวงโลกหลอก ประชาชนเราก็ดูแหลงไปนะเราบอกว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าหมายคุณเก็บสองแต่ยังที่เบดเนี่ยเขาเก็บสองปีครึ่งเขาบอกว่าอยู่ในท่ามืดเลยนะเก็บมมไม่พูดเลยเขาบอกสองปีครึ่งจะออกมาเนี่ยต้องมาอยู่ทีแสงสว่างทีนิดจะออกมาข้างนอกเลยไม่ได้เพราะว่าสายตาไม่คุ้นถ้าออกมาสายตาจะเสียมันจ้าเกินไปเขาอยู่ในที่มืด น, นานเพราะนั้นก็ออกมาเขาออกมาทีนิดมาอยู่ที่สว่างทีนิดๆเพื่อสายตามันปรับ อันนี้ที่ที่เขาคนที่เขาทำาก็เล่าให้ฟังนะอย่างของหลวงพ่อที่ว่าเคยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเทียนมา ก, ก่อนหลวงพ่อมหาสีจันทร์ทีอ่อำเภอสีเชียงใหม่นะอันนั้นถ้าถามว่าใครสมทบานปฏิบัติวิธีการอันนั้นท่านยกมือกันนะแต่ยกมือชา้า ท่าเข้าเก็บให้ผู้ปฏิบัติได้อารมณ์แล้วให้เข้าเก็บอารมณ์ทีละหกเดือนดิ ท, ทานบุเลี้ยงเนี่ยที่รู้จักจกันตอนที่ท่านย้ายมาอยู่ที่คอนดิติกันบอกว่าผมไปเข้าปฏิบัติแบ บ, บ, บท่านหกเดือนเนี่ยออกมาไม่พูดไม่ได้เลยมาฝึกพูดใหม่หกเดือนไม่ได้พูดถึงใครเลยนะาให้พูดถึงใครเลยคื อ, อมันมันจะไอข้ขาการไกลหรือไอ้องค์ประกอบอะไรพวกนี้มันคงจะล้าพราะม่ได้ใช้นะเพราะสิ่งในกระถางที่ไม่ได้ใช้ไปบ่อยๆสิ่งน้ำก็จะหมดสภาพอ่อนแอลงไปใช่ไหม อันนี้ก็มีในเทลวาตของเราเพราะนั้นการเก็บอารมณ์หมายถึงว่าต้องแต่ของเราในระยะสั้นๆห้าเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งเป็นอย่างมากเราไม่ได้ทำมากเพราะอะไรเพราะทำมากแล้วมันอีซีเราจะอ่อนเมื่ออีซีอ่อนแล้วมั น, มนลาเหมือนจิตของเราไปติดสงบอยู่นานจิตมันอ่อนอุปมาเห็นชัดง่ายๆเด็กสองคนเด็กหนึ่งเป็นเด็กชาวบ้าน พอมันเดินเตาะแตะได้สองขวบสามขวบพ่อแม่ก็วิ่งพาให้มันเล่นกับเพื่อนกับฟุง้งกับพี่มันไปแต่เด็กคนหนึ่งเป็นลูกผู้ดีเออาขึ้นมาก็ใส่อูกลวยให้นอนหลับเออมาก็ใส่อูกลวยเด็กคนนี้จะอ่อนแอเพราะมันติดสบายติดสงบติดสบายเกินไปเด็กก็จะอ่อนแอแล้วเด็กคนหนึ่งมันวิ่งเล่นหัวหกคนคิดกับเพื่อนสองขวบสาขวบสี่ขวบมากเด็กคนนี้ปรากฏว่าเข้มแขง็งเพราะอะไรเพราะเมื่อใด เอ็ซ์ซพัฒนาการมันครบทางสมองทางร่างกายทางสติปัญญามันพัฒนาไปรูปรวมกันแต่เด็กคนหนึ่งพ่อแม่ไม่สบายพี่เลี้ยงก็ไม่อยากจะใ ห, ให้มันบุ่นไม่อยากจะดูนะจับใส่โอ้กวย ใ, ให้มันดับเรื่อยไปถึงเวลาก็เอาลุกขึ้นมากินถึงเวลาก็มาอาบมาถ่ายเอาถึงเวลาให้นอนเด็กในเมืองเลยอ่อนแอแต่เด็กบ้านนอกกับเ ข, ขีมแข็งอันนี้คือเปรียบเทียบที่เป็นลูปธรรมนะจิตของเราเหมือนกันจิตคนไหนที่ไปชอบสมาธาชอบด้วยความสุขจิตนั่นจะอ่อนแอ เพราะมันไปนแช่อยู่ในอารมณ์แต่คนไหนจิตที่ขยันปรุงแต่งคิดกับสู้กันปรุงแต่งก็สู้กันทําความเพียนสู้กันเอากันให้เด็ดขาดกันไปจนกับมันตรงนี้เขาเรียกว่าสงบจากกิเลสในวิธีการของโรงเรียนคือสงบจากการปรุงแต่งไม่ได้ว่าสงบโดยที่ไม่คิดอะไรไม่ใช่นะสงบคือไม่ให้จิตมันปรุงแต่งคิดได้แต่ว่าม่ความปรุงแต่งกับความคิดทึงได้กล่าวมาวันก่อนแล้วใช่ไหมว่าจิตมีสาประเภทใช่ไหม หนึ่งคือธรรมอารมณสองสังขารสามคือตัวสติปัญญ า, าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจิตไม่ปรุงแต่งเนี่ยแต่ใช้สติปัญญาได้ใช้สติปัญญาสังขารกับสติปัญญาแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างสังขารมันเกิดมาโดยไม่รู้แล้วมันจบโดยไม่รู้แล้วมันหยุดไม่ได้นี่เรียกว่าสังขารแต่ว่าสติปัญญามันเกิดมาก็รู้เราจะอยู่ความคิดนันก็รู้แล้วต้องการหยุดได้ตามต้องการ ความคิดเหมือนกันแต่ว่าอันหนึ่งบรรังคับบัญชาไม่ได้แต่อันหนึ่งบังคับบัญชาได้ต้องการหยุดก็ได้ต้องการคิดก็ได้นี่เป็นสติปัญญาแต่ถ้าเป็นสังขารไม่ต้องการคิดมันคิดต้องการให้ ม, มันหยุดมันไม่หยุดต้องการให้สงบมันไม่สงบแต่ถ้าเป็นสติปัญญาบังคับบัญชาได้เห็นไหมมันเป็นตัวทำ แต่ถ้าเป็นตัวอนัตตาคือบังคับบัญชามาได้เพราะนั้นตัวสังขารเกิดด้วยอำนาจของอนิจจังทุกข์อนัตตาแต่ตัวสติปัญญาเกิดด้วยอํานาจของศีสมาธิความคิดเหมือนกันนะแต่ที่มาไม่เหมือนกันดังนั้นไอ้ตัวแยบขายจุดเนี้เป็นตัวสําคัญถ้าหากว่าเราไม่ชัดเจนในข้อประเด็นอาการอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยคนรุ่นหลังมาเขาจริงจังเขามีสติปัญญาดีกว่าเมื่อเขากลับมาสอบมาถามเราเราแก้ไขจุดนี้ไม่ได้ เราเสียหายนะะคุณปฏิบัติมาอย่างไรคุณอยู่มาตั้งนานพรรษาอายุพรนสาขนาดนี้คุณยังไม่ชัดเจนเรือ่องนี้คุณใช้เวลาของคุณไปทางไหนเขาก็จะทวงเราได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามีเวลาไม่ประมาทต้องตรวจสอบเพราะสัจธรรมเนี่ยกี่พันปีมันก็เหมือนกันหมดมันไม่ต่างกันพุทธเจ้าตรัสรู้มาสามพันปีอย่างไรเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะพระเทียนก็บอกว่าถ้าหากเป็น <c oughs> อ่ความจริงแล้วต้องรู้สิ่งเดียวกันถ้ารู้ไปคนละอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงอย่างอันนี้จังทุกขันธนาตามันมีมากี่หมื่นกี่แสนปีเดี๋ยวนี้เขยังปฏิบัติงานลงมาอย่างนั้นเปลี่ยนอันนี้จังทุกข์ขเป็นศีลสัมฤทธิปัญญากีก่หมื่นกี่แสนปีเดี๋ยวนี้มันก็มีผลปรากฏอย่างนั้นแต่ขึ้นเดีว่าเราจะพิสูจน์ให้เห็นความจริงของมันหรือไม่เนี่ยตรงนี้สําคัญนะดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพู้ไศาสนา จึงไม่ได้กลิงกวต่อการเสื่อมหรือไม่เสื่อมเพราะพุทธศาสนาอยู่ในใจของคนทุกคนแต่คนคนนั้นจะเป็นสมาธิทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิแม้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็มีพุทธอยู่แต่มันถูกบดบังนะแต่ถ้าเมื่อใดคนที่เป็นสมาธิทิฏฐิก็คือเอาตัวพุทธภาวะคือตัวรู้ตัวนั้นให้มันมีโอกาสได้งอกเงยท่านเรียกว่าคนที่อยู่ที่เราเปรียบเทียบวัวใต้น้ําัวเหนือน้ำนั่นแหละเข้าใจไหมแต่วัวใต้น้ําที่สุด บอกว่าไม่แน่ว่าจะได้เกิดขึ้นมาเหนือน้ำางที่เป็นอาหารของเต่าและปลานะแต่ของเรานี่หมายถึงว่ามันมีโอกาสได้โผล่ขึ้นมากลางน้ำเสมอน้าแล้วเหนือน้านั่นหมนายความว่ามันถูกต้องแสงพาทิตนะแต่ที่บัวที่ในโคนตรมนะที่ไม่รับแสงพ้น อ, อิย่าังเสี่ยงอยู่ดังนั้นพุทธภาวะคือตัวรู้สึกตัวทุกคนมีนะทุกคนมีแม้แต่สัตว์มันก็มีนะ แต่สัตว์มันตัวรู้สึกมันไม่มีมันมีลิมิตทั้งมันนะคนนี่อาจจะห้าสิบถึงรอยแต่สัตว์อาจจะหนึ่งถึงแค่ห้าสิบเนี่ยมีความเพื่อมันก็มีตัวรู้สึกเช่นญยาอะไรบางอย่างเราไปแต้มันยูบะยาอะไรนะไม่ยาลาบใช่ไหมดอกไม้บางอย่างกลางวันมันบานกลางคืนมันก็หุบใช่ไหมมันเนี่ยมันมีเส้นนองมันอยู่แต่เขาเรียกว่ามันเป็นชีวิตที่ไม่เต็มเขาจะเรียกว่าไบโอใช่ไหม อาจจะมีหนึ่งถึงส0สบสัตว์อาจจะมีหนึ่งถึงห้าสิบคนอาจจะมีหนึ่งถึงร0ออย่างเงี้ยนี่คือตัวชีวิตตัวพุท ธ, ธเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันดังนั้นเรื่องเหล่านี้ขอให้เราได้สำรวจตรวจสอบทุกย่างก้าวทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายทุกลมหายใจมีความหมายแต่ถ้าเราพัฒนากําลังสติสมิญญไม่เข้มแข็งพอถ้าเราไปเอาใจใส่ต่อ ไปเพ่งพินิจต่อการเคลื่อนไหวต่ออารมณ์เหรานั้นต่อเนื่องเกินไปเราจะเครียดเพราะกำลังเราไม่ไหวเราก็ปล่อยพอกันบ้างตามกำลังเคณึกกำลังอินรีอย่างที่ได้กล่าวมามเมื่อกี้กำลังเราแบกได้5้าิบเราไปแบกร้อยหนึง่งก็หนักบันนั้นเบื้องต้นที่สุดนี่นะการเข้าใจรูปน้ำเพื่อจะรู้จักกำลังของตัวเองกาลังของอินซีตัวเองว่าอินซีเราเข้มแข็งแค่แไหน ถ้าเราอีซีเราเข้มแข็งเรารู้กําลังของเราเราก็สามารถที่จะประครับประคองความเพียงได้ต่อเนื่องขนาดยางนานแต่ถ้ากําลังเขาไม่พอบระครับควบคุมอีซีสํารวมอีซีได้ไม่นานมันเครียดเหมือนเราแบกของที่เกินกําลังแทนที่จะแบกไปได้สักกิโลแบกไปครึ่งกิโลไม่ไห ว, วสัตวิ่งเลยถ้ากําลังอีซีเขาไม่พอประครับประคองสํารวมความรู้สึกตัวได้สักครึ่งวันเต็มที่เพราะอีกครึ่งวันมันลามไปไม่ไหวละ อันนี้ก็ผ่อนตามอีซีของเราประคับประคองเงินเบาลงกำลังของอีซีนี่สำคัญนะให้รู้ถ้าเราไม่รู้กำลังของอ c ซีบาทีเราอ่อนไปบางทางั้งๆที่มีกำลังอีซีเพียงพอแต่ว่าเราก็หมายความว่าของเนี่ยมันห้าสิบกิโลเราแค่ถือไปแค่สามกิโลเนี่ยมันชา้าเราสามารถถือไปถึงห้าสกิโลอย่างน้อยก็สามสิบสี่สิบกิโลก็ยังดีนะ อันนี้ก็เหมือนกันกําลังอีซีทำให้เราประเมินความสามารถของเราได้ถูกต้องประเมินสติสัมปชัญญะได้ถูกต้องแล้วเราจะโหรักษาความเพียรที่ยาวแค่ไหนเหมือนแม่ไก่ถ้ากําลังมันดีมันสามารถกกทีละได้หลายๆชั่วโมงถ้ากําลังมันไม่ดีมันเบื่อมันร้อนมันหิวน่ะมันโกดขีดละชั่วโมงสองชั่วโมงก็บินไปหากินไปบินไปเล่นแล้วกลับมาโกดอีกทีโอกาสที่ไอ้ลูกไก่มันจะออกทุก ลูกหรือเนี่ยน้อยเพราะกําลังความอุ่นมันไม่พอเห็นไหมมันบูรณาการเกี่ยวกันหมดเลยเกี่ยวกับอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยฉะนั้นจึงอยากจะให้พวกเราไม่ถอดถอยในเรื่องนี้แต่ให้รู้กําลังของตัวเองแล้วมันจะเกิดความพอดีแต่ถ้าไม่รู้กําลังของหนึ่มันเกินพอดีมันเครียดมันง่วงเอ๊ะฉันก็ทำความเพียรอยู่นี่ยทำไมฉันเครียดฉันง่วงฉันฟุ้งซ่านฉันห่ยมันก็เขเรียกว่าเราไม่รู้กําลังของพอดี แต่ถ้าเราลู ก, กําลังพูกนี้มันจะปร่งเบาสบายเข้มแข็งกับปรีก่กระเปล่าพราะเราปรับกําลังของเราว่ามันขาดอะไรลูกขาดอะไรน้ําขาดอะไรคอยปรับอยู่เสมอนะนั้นเองในการเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะก็อยากจะให้เราทําตัวสอบบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเพราะในตัวมักมีองแปรเป็นองค์ของการใช้ปัญญานะเป็นองของการใช้ปัญญานะ คือใช้ศีลสัมาธิปัญญาเพราะมรรคเปองค์8ดรวมแล้วมันเหลือสามใช่ไหมสมาธิทีิสมาสังกปะคือปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชิวะคือศีลสัมมาวายามะสมาสติสมาธิคือสมาธิเพราะนั้นมรรคเปองค์8ดย่อเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาท่านอยากปัญญามาไว้ต้นเลยใช่ไหมสมาธิที่กับสมมาสังกปะเพราะนั้นสมาธิที่สมาสังกเป็นตัวตรวจสอบเรื่องศีลและสมาธิ แต่สมาสํมกับปะคือสมาธิิสมาสัมก็ไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันจะไปตรวจสอบพวกนั้นไม่ได้ดังนั้นในวิธีการหลวงพเทียนครบพร้อมในสิ่งเหล่านี้มากเลยซึ่งมาเองเคยทําวิธีการอื่นมามันไม่ได้เกิดความรู้อย่างนี้มันมีจะไปติดติดนั้นติดนี้ติดสงบติดนี้มิดติดสีติดแสงติดอิริเดียตปฏิหารติดพลังอำนาจไปติดทนั้นแล้วมันไม่แปลเป็นปัญญากําลังมันไม่พอ ดังนั้นเองในจุดนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสเสนอในการ อ, าอะไรนะการการเผยแพยร่ศาสนาใน ล, ลักษณะเป็นตัว อ, อนุศาสนีปฏิหารท่านไม่ยกย่องเรื่องอิทธิปฏิหารไม่ยกย่องอาเทศปฏิหารแต่ท่านมายกย่องอนุศาสนีปฏิหารคือเห็นองค์ธทำตามลําดับอนุสาสนี การได้เห็นองค์ธรรมตามลำดับสามารถตรวจสอบชัดเจนแจ้งแจ่ม แ, แ, แจ้งเป็นปริหารเช่นเดียวกันที่เราไม่ใช่ปฏิหารของการตื่นที่ท่านที่ได้นำมาใช้คําว่ามิลิคืนออกไมฟเนสนันะปริหารของการตื่นรู้เห็นความเป็นไปของชีวิตชัดเจนแล้วมันสามารถสื่อความหมายากับคนอื่นได้และคนอื่นรับถ่ายทอดที่จะไปทําได้ปฏิหารแบบเนี้แต่อีที่ปริหารอาเทศฐานปฏิหารนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัว ถ้าเราไม่มีศักยาภาพไม่มีพื้นฐานเราไปทำมันเกิดไม่ได้แต่อนุสาสนิปิหานี่ใครมีบุญบรารมีแค่ไหนมีกำลังแข่งแรงทำได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าความพยายามนะดังนั้นในการดิทรีเทยวนี้เร า, าก็รู้สึกว่าได้พักอย่ายมถึงแม้จะน้อยแต่มีความตั้งใจกันทุกคนนะก็อยากจะให้นำไปพิจิตรณาเล่าไปทาต่อที่บ้านที่การที่งาน เรานำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิริจารณาว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ดูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้รู้จักกำลังของตัวเองถ้าเรารู้จักกำลังของตัวเองเราสารวมระวังได้ยาวนานตามกำลังของเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักกำลังของตัวเองบางทีเข่งตึงเกินไปบางทียอนเกินไปยังประเมินกาลังตัวเองไม่ถูกนะก็จะเนิ่นช้า ในการพัฒนาวิพัสนาของตัวเองนะจะเขียมุตนาสาธุไวาตรนี้ครับ